นะโมตัสสะภะคะวะอะระหูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ อะระหัสัมมาสัมบุ द h a เทเรปามานีนานาวาระตยเนะกตังจามังกราดังคมาตุโนพันติเทเรปามานีนา นาวระเยนาคดังาบังอภาระังขมตุโนพันธ์เตเรเรปมานีนานาวระเยนาคดังซบังอภาระังขมตุโนพันเต หังขมามิตุมเหหิปิเมขมามิตา บ, บังเอวังหตตเอวังหตตโยจะปุเบปะมัชิตตวาปัตซ า, าโซนปะปมัสติโซมังโลกังปพาเศติภามุตโตวัจันธีมาอภิวาธนาสีลิสณิจังบุตธาปจายิโนจัตตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุ ข, ขังภาลัง วันนี้พวกเราครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมอำเภอบ้านผือท่าบอ่ออาจจะมีสีเชียงใหม่ด้วยที่เห็นเห็นได้มาคารวะครูบาอาจารย์ตามประเพณีนับว่าเป็นประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่โบราณการหลวงพ่อเองสมัยเป็นเนนน้อยอยู่ป่ารงพงไพภูเจาอก็อสมัยนั้นไม่มีถนนหนทาง ท่านก็ไม่ได้ปล่อยปาละเลยท่านก็ไปครวะครูบาอาจารย์ที่รักเคารพนับถือในถิ่นนั้นพอต่อมาอย่างมาอยู่กับหลวงตาหลวงตาท่านก็ไปครวะครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นเข้ามากราบหลวงปู่เทศบั่งหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆเป็นการครวะกับครูบาอาจารย์พอต่อมาหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็ได้จัดหมู่คณะไปครวะครูบาอาจารย์ ในถิ่นฐานบริเวณที่เรารักเคารพนับถือคือถือเป็นประเพณีกันมาตั้งแต่นมนานในการกราบคระครวะกุบายอาจารย์ถ้าทางภาคเหนือเขาว่ามุดน้ำดาหัวแต่ว่าพระอุบาอาจารย์ทางอีสานว่าทําวัดแต่ถ้าเป็นภาษาภาคกลางทำวัดเชา้าทำวัดเย็นอันนะั้นคือไหว้พระแต่ทางอีสานของเรานี่ว่ ทำวัดเนะี่ยคือไปครวะคูบาอาจารย์เป็นที่รู้กันคือมีขันหา้ามีดอกไม้ถูบเทียนไปการาบครวะคูบาอาจารย์ให้โอโหสิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้กล่าวเบื้องต้นว่าเทเรประมาเดนะอย่างที่จบลงไปสุครูนี้ถ้าจะว่าไปในเนื้อหาหรือว่าคาแปลเนะี่ยพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทผัพดพังผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ผมยินดีอโหสีให้แก่พวกท่านทั้งหลายพวกผมเองได้ประม า, าทพลาดพังครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนตลอดถึงญาติโยมด้วยกายวาจาใจขอให้พวกท่านทั้งหลายอโหสีให้เช่นเดียวกันลักษณะอย่างนั้นแหละคำพูดที่พวกเรามาคราวะกันสรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพวกเร า, เาถึงจะไม่ได้พูดออกไปถึงจะไม่ได้กระทําออกไปแต่บางทีก็มนโนกรรมคือการคิด อาจจะมีการประมาทพลาดพังอันนี้มันห้ามไรยากแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถึงจะประมาทพลาดพังไปก็คือความคิดที่มันออกไปยังไม่ได้พูดยังไม่ได้กระทํำมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าการคิดห้ามความคิดมันห้ามยากบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็คิดไปก่อนแล้วเพราะนั้นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมแต่ว่าถึงยังไงก็ตามการคิดไปมันก็ไม่ถูกต้องในเมื่อมันไม่ถูกเพราะงั้นเถอะ แต่ถ้าคิดเป็นในทางที่ดีมันก็เป็นมงคลเป็นสิริเป็นมงคลแต่คิดไปนในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นอัปมงคลเป็นทางเสื่อมเสียสําหรับผู้คิดเองเพราะการทํากรรมทําได้สามทางกา ย, ยกรรมคือการกระทําทางกายคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมวิจีกรรมก็คือพูดเพ็พูดส่อเสียดพูดคําหยาบมโนกรรมโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองไล่เขา เห็นผิดจากทานองครองทำคือการทํากรรมกรรมที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจของเรานั้นไหลเข้ามาสมทางแต่ว่ามโนกรรมนั้นยังไม่ผิดศีลเมื่อคิดไปแล้วยังไม่ผิดศีลคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะป้นเขาคิดอยากจะโมยของเขาคิดจะเบียดเบียนเขาอย่างนี้ยังไม่ผิดศีลแต่ถ้าว่าเมื่อคิดแล้วกายไปกระทําด้วยผิดศีลละบาดจากวาจาพูดด้วยผิดศีลเพราะนั้น เมื่อใจคิดอย่างเดียวยังไม่ผิดแต่บาปไหมบาปอยู่บาปเข้าสู่ใจคือเป็นมนทินทางจิตใจใค้ท่าว่าใจเศร้าหมองในขณะที่เราคิดใจของเราไม่แจม่มใสใจของเราเศร้าหมองคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันกระแทกเข้ามาสู่จิตใจทําให้จิตใจของเราดําจิตใจของเราเศร้าหมองจิตใจของเราขุนมัวผิดธรรมแต่ยังไม่ผิดวินัยแต่ถ้าว่าออกทางวาจาและทางกายแล้วผิดวินัย อันนั้นหนักเพราะนั้นการกระทํากรรมเรียว่าทำได้สามทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาคารวะผมหรือคารวะครูบาอาจารย์ตามประเพณีนั้นก็เพื่อให้ครูบาอาจารย์อาหสิกรรมให้ขอให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีต่อหลักเหตุผลต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงก็ตาม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนท่านก็บอกว่าก่อนหลับก่อนนอนเวลาเราไหว้พระเสร็จแล้วให้เรานึกในใจว่าข้าพเจ้าขอมอบ ก, กายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นและเลือกได้หรือไม่และเลือกได้กอดีขอมอบ ก, กายถวายชีวิตเป็นอาจินข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพัง้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีขอพ่อแม่ครูบายอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์จงเอาหัวสีให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสํารวมระวังต่อไปข้าพเจ้าหวังพ้นทุก์ในวัฏสงสารจากนั้นท่านก็ บ, บอกว่าเมื่อเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วคารวะเสร็จแล้วธงหมะเข้าพเจ้าถึงจะทําความดีมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอดีตถึงปัจจุบัน ขอให้เขาไปเจ้าพ้นทุกในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนไหยตายเกิดอีกต่อไปอันนี้คือมีจิตปุ่งมั่นไว้อย่างนั้นคือทำไมถึงว่าให้เดินถึงมรรคผลนิพพานอย่างนั้นท่านบอกว่าให้พวกเราตั้งสูงเอาไว้เหมือนกับเราจะเดินทางไปถึงกรุงเทพนีคือจุดของเราคือจะไปถึงกรุงเทพแต่เราคิดว่าเออไปถึงบ้านผืนนี่ก็พอละความตั้งใจของเราก็จะเดินแบบไม่ตั้งใจกอกแงะกอกแงกง มันก็ถึงอาจจะไม่ถึงบ้านผือจุดใดซ้ำไปแต่ความมุ่งหมายของเราคือค้นทุกเพราะนั้นให้ตั้งความหวังไว้เลยว่าข้าไปเจ้าขอให้พ้นทุกในวัฏฏสงสารเพราะนั้นเวลาเราทําอะไรก็ตามเราก็จะพยายามมุ่งมั่นต่อคุณงามความดีของเราถึงจะไม่ถึงกรุงเทพแต่ก็ถึงอุดอรถึงอุดอรแล้วถึงขอนแก่นถึงโคราชา ง, งนะเพราะนั้นท่านว่าให้ตั้งจิตมุ่งมั่นเอาไว้อันนี้ก็คือ ที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนท่านจึงว่ากาพุทธโธธรรมโมสังโคนิพพานังหลวงปูล่ลาเคยสอนอย่างนั้นนะท่านบอกว่ า, วากา พ, าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่ได้กาเพื่อเป็นพิธีกาเพื่อหวังพระนิพพานนะอย่างนั้นทุกครั้งอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อว่าท่านแนะนําไม่ผิดอย่างนั้นเถอะอย่างวันนั้นพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ก็นำไปคิดนำไปพิจารณาดูนะหลวงพ่อว่าถูกต้องเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกว่าเข้าไปเจ้าได้ประมาทผัดพังครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วในใจคือบางครั้งบางคราวบางคนอาจจะคิดนะบางคนอาจจะคิดบางทีเวลานั่งอยู่ประมาทครูบาอาจารย์โดยที่ท่านไม่ได้ทําอะไรเลยบางทีเรานั่งภาวนาะประมาทพระพุทธเจ้าอีกต่างหากประมาทครูบาอาจารย์อีกต่างหาก ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่ท่านไม่ได้พูดท่านไม่ได้ทําอะไรให้แก่เราเลยทําไมเราจึงประมาทอย่างนั้นอันนี้ธนวัตรตัวกิเลสกิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาบางครั้งมันเหมือนกับมีหมาบ้าอยู่ในหัวใจของเราตัวหนึ่งมันแทกอยู่ในนั้นมันไล่งับคนนั้นงับคนนี้กัดคนนั้นกัดคนนี้ไปเรื่อยว่างนั้นเถอะอันนี้แปลว่าจิตมีประเภทหมาบ้าอยู่ในใจ เ, เพราะนั้นท่านจึงให้ยอมราบเอาไว้ก่อน ให้ยอมรับความคิดของตอนเองเอาไว้ก่อนข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตเพราะถึงยังไงยังไงครูบาอาจารย์ท่านก็มีดีอยู่แล้วลหลายด้านท่านจึงเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านจึงแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเราอย่างน้อยก็เดินตามแนวแถวของครูบาอาจารย์เอาไว้มีแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าว่าพวกเราทําออกนอกลู่นอกทางความหายนณะ ก็จอมเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเรารักเคารพนับถือเนี่ยเป็นยังไงก็คือท่านได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติมาก่อนเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีที่ท่านได้ปฏิบัติมาก่อนพวกเราท่านก็จะย่อย หรือว่ามาอธิบายให้พวกเราได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าท่านได้ปฏิบัติมารู้เห็นอย่างไรท่านจะมาสอนลูกศิษย์ของท่านที่มาปฏิบัติกับท่านท่านก็จะมาย่อยมาสอนให้ลูกศิษย์ของท่านเข้าอกเข้าใจเหมือนกับพ่อแม่ได้ลูกตัวลเล็กๆขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาอาหารประเภทไหนให้แก่ลูกของเราได้กินก่อนเมื่อเกิดมาเขายังดูดนมจากเต้าไม่ได้เราก็ต้องเอาน้าให้เขากินก่อนเอาน้าดื่มให้เขากิน จากนั้นพอเขารู้เรื่องขึ้นมาแล้วก็อ้าดูดนมต่อไปกับกินอาหารที่มันเหลวเคี่ยวอาหารให้เขากินอะไรลักษณะอย่างนั้นน่ะเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเล็กเด็กแดงจากนั้นก็เอาอาหารประเภทไหนที่จะเคี่ยวง่ายคืนง่ายให้ลูกของตนเองจากนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากับอาหารปกติอันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบื้องต้นนี่ท่านก็จะต้องแนะนําสั่งสอนว่าลูกศิษย์จะเข้าใจในเรื่องอะไรก่อน ท่านก็พยายามสอนการเป็นอยู่กิริยามรยาทสอนการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการกราบการไหว้กราบอย่างนี้นะนั่งคุกเข่าอย่างนี้นะปนมืออย่างนี้นะกล่าวหนาโมต้องหวอย่างนี้นะ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธท่านก็สอนเป็นลาดับลำดับขึ้นจนถึงมรยาทในการเป็นอยู่การอยู่การฉันเป็นอย่างนี้นะอย่างพระวินัยท่านก็นามาสอนพวกเรา เราจะฉันบินทาบาทอย่างนี้เราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสูดๆเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากในพระวิเัยท่านก็บอกจากนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มาย่อยให้อีกมาอธิบายให้อีกสอนให้พวกเราเข้า อ, อกเข้าใจเรื่องศินการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้มีศินการเป็นอยู่ร่วมกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในสงฆ์ถ้าว่าฆราวาสญาติโยม เป็นผู้มีศินครวาสยาโจรก็จะเป็นผู้ร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไปที่ไหนไหนก็ให้ความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีต่อการเพราะคนที่ไหนก็เป็นผู้มีศิ น, นถ้าว่าคนทุศินมากๆคนไม่มีสินไปที่ไหนก็ต้องถือมีดถือควา้าถือปืนถือหอกเออตรียมพร้อมไปในสถานที่ต่างๆเพราะไม่ไว้ใจกันคนนั้นก็ไม่มีศิลคนนี้ก็ไม่มีศินไม่รู้จะป่นจะฆ่ากันเมื่อไหร่ แต่ถ้าพอทุกคนมีศินไม่จําเป็นเรื่องปืนเรื่องมีดเรื่องดาบอะไรไม่จําเป็นจะต้องเอาไปไปที่ไหนก็พูดรู้เรื่องกันไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนั้นแปลว่าคุณธรรมในชุมชนเกิดขึ้นมาแล้วความสงบร้มเย็นเป็นสุขก็ตามมาพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เหมือนกันการอยู่ร่วมกันเป็นผู้มีศิน แ, แล้วพระสงฆ์ก็พูดอะไรก็เข้าใจกันพราอยู่ในกรอบในศินของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหาว่าหมู่พวกเพื่อนพระสงฆ์ พุสินไม่มีศินออกนอกลูกนอกทางทีนีการพูดกันก็ไม่รู้เรื่องกันเลยทีนีคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งนานาจิตต่างนานาทัศน์ใครใคเห็นก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในหลักธรรมวินัยก็เข้ากันไม่ได้ อ, อ, อันนี้แปลว่าพระสงค์หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อันนี้เรื่องของศินศินสรุปแล้วก็คือการอยู่ร่วมกันให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากว่า คนพวกเราคราวาญก็ดีญาติโยมก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีขาดศีลหาความสงบปล่มเย็ยนเป็นสุขไม่ได้สรุปลงได้อย่างนั้นนะถ้าว่าโลกทั้งโลกขาดศีลมากๆโลกในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบรล่มเย็ยนเป็นสุขไม่ได้มีแต่หวาดระแวงแคลงใจกันมีแต่จะประหัดประหารซึ่งกันและกันถ้าว่าพระสงฆ์ในยุคใดสมัยใดเป็นผู้ทุศีลยุคสมัยนั้นก็ ขูดกันไม่รู้เรื่องแต่แยกสัมภาระกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเป็นเครื่องคุ้มครองให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกประเทศชาติบ้านเมืองมีกฎหมายบ้านเมืองคุ้มครองดีต่างคนต่างเคารพกฎกติกาของบ้านเมืองบ้านเมืองยุคนั้นก็อยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นศีลสรุปแล้วก็คือให้อยู่ร่วมกันส่วนธรรมธรรมนั่นคือการแนะนําในความคิด คิดยังไงมันจะจะถูกต้องคิดยังไงมันผิดทางคิดยังไงมันจะทําให้ตนเองเดือดร้อนสรุปแล้วคือศีลเนื้อคุ้มครองกายคุ้มครองกายกับวาจาส่วนธรรมะเนื้อคุ้มครองใจแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกออกมาเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในตัวของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างสองอย่างนั่นคืออะไรรูปประธรรมกนามมะธรรม รูปธรรมนั่นคือร่างกายที่เห็นกันอยู่เนี่ยนั่งอยู่ทุกคนเนี่ยแปลว่ารูปประธรรมส่วนนามธรรมนั้นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อไม่มีใครรู้ว่าแต่และคนนคิดเรื่องอะไรในเดียวนี้ตัวเองนั่นรู้ในใจของพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายรู้แก่ใจว่าเราคิดเรื่องอะไรอยู่ในขณะ น, นี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าใช้คว่ารูปประธรรมคือร่างกายมองเห็นกันนั่งอยู่สงบนิ่งแต่ส่วนนามธรรมนั้น คิดไปในเรื่องแปลกแตกต่างนานาจิตตังนานาทัศนะไม่มีใครที่จะรู้จิตใจกันได้แต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนกายกายนะี่คือเป็นวิบากกรรมในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราทํากรรมไม่ดีหรือเราทํากรรมดีในอดีตเกิดมาพบนี้ชาตินี้ร่างกายของเราก็ เ, เสร็จสวยงดงามบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็เกิดในสกุลที่สูง อะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าบุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้ในอดีตชาติให้ผลในปัจจุบันแต่ว่าส่วนจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักมากท่านบอกว่าถึงจะร่างกายเป็นยังไงก็ตามแต่จิตใจนั้นฝึกฝนได้ฝึกฝนได้ให้เป็นคนดีได้ให้จิตใจดีได้เพราะนั้นท่านจึงเน้นหนักเรื่องใจมโนปุพังคมาธรมมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นท่านจึงเน้นเรื่องใจให้ใจเนี่ยคิดเรื่องอะไรเพราะนั้นท่านจึงสอนวิธีการคิดคิดยังไงเพ่อจึงจะถูกต้องท่านจึงให้สอนวิธีการคิดคือพระพุทธเจ้าท่านสอนมาก่อนท่านคิดมาก่อนแล้วที่ท่านออกไปบวช เ, เมื่อสองพักว่าปีไปอยู่ที่โคนต้นโพรประเทศอินเดี ย, ยแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จจาก กุงกบิลพัฒสมัยนั้นคงจะขีม่ม้าขันธกกะข้ามโคกข้ามรอนข้ามถุงข้ามท่ากระโดดไปจนไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าทางที่กรุงกบิลพัฒถึงต้นโพที่ว่าเนี่ยประมาณ200กิโลเขาวางกันนะถ้าจะว่าไปแล้วจากนี้ไปเมืองขอนแก่นเหมืนกันจากวัดนาคําน้อยของเราไปถึงขอนแก่นก็ไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะเออขี่ม้าไปทั้งคืนไปถึงนั่นก็ไปอยู่ที่นั่น บำเพ็ญอยู่บริเวณนั้นถึงหปีอันนี้คือพระพุทธเจ้าไปทดสอบพระ อ, องค์เองไปภาวนาไปดูใจของพระ อ, องค์เองไปสังเกตใจของพระ อ, องค์เองอยู่ในป่าที่แรกท่านก็บำเพ็ญทุกอย่างบำเพ็ญทุก ก, กัคค리ยากดภัคคยาหารถึง49วันจนร่างกายผอมโกรกอย่างที่พวกเราเห็นพระบำเพ็ญทุก ก, กัคคยาจากนั้นพระองค์ก็ฉันพัฒตาหานร่างกายปกติสมบูรณ์ แต่พระโตองค์ท่านก็บอกว่าการทรมานกายไม่ใช่หนทางจากนั้นท่านก็ดูใจของท่านการดูใจของท่านท่านทํำยังไงในวันเดือนหกเพนกวันที่ท่านได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าท่านนั่งหันหลังพิงต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหลับตานั่งขัดสมาธิเหมือนพระประธานอยู่ต่อหน้าของพวกเรานี่แหละท่านนั่งอย่างนี้ท่านนั่งหลับตาจากนั้นท่านก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก แต่ท่านไม่บริกรรมอบอกพุโทโธนะเพียงแต่ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะให้พวกเราญาติโยมท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าภาวนาอย่างไรท่านจึงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เกิดญาณทัศสนะขึ้นมาเมื่อเกิดญาณทัศนะขึ้นมา พ, พระพุทธองค์ได้ฌานระลึกชาติผลหลังได้นี่ระลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าตายแล้วไม่สูญให้พวกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าในจุดนี้เอาไว้ถ้าว่าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติได้ยังไงเมื่อวานไม่มีเกิดมาพบนิชาติเดียวเนี่ยเมื่อวานไม่มีจะระลึกได้ยังไงแต่นี้เมื่อวานมีอดีตมันมีเมื่อวานท่านก็ระลึกถึงเมื่อวานเนี่ ย, นนยคือชาติที่แล้ว แ ล, กละกลลึกถึงบรรก่อนชาติก่อนไปอีกไล่ไปเรื่อยกี่พบกี่ชาติ พ, บพบระพุทธองค์รู้ได้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติที่ พ, บพบระพุทธองค์ได้บําเพ็ญมาเนีอันนี้ พ, บพบระพุทธองค์รู้ได้ด้วยญาณทัศนะญาณทัศน์นี่ พ, บพบระพุทธองค์ได้มาอย่างไรก็อย่างที่ได้พูดเบื้องต้นว่าท่านนั่งสมาธิทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ให้ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินมาพาปฏิบัติมาคือนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติจากนั้นจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบแล้วรละลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นยังไงพระพุทธองค์รู้ได้ยาวเหยียดเลยจากตอนหัวค่าพระพุทธองค์ได้ญาณทัศนจุดนี้พอถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์ก็ภาวนาอีกโดยที่ไม่ลดละได้ญาณทัศนขึ้นละเอียดขึ้นเข้าไปอีกกว่า จุตูปะปะตาตญยานการจุดติของสัตว์ว่าวิญญาณนี้ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนด้วยกลัมอะไรเขาทํากลัมอันไหนไว้เขาจึงได้รับกรัมอย่างนี้จึงไปเกิดอย่างนั้นเกิดที่สูงเกิดที่ต่ําไม่สม่ําเสมอกันร่มุ่มรอนๆแต่และวิญญาณเพราะเหตุไรเพราะพระองค์ก็รู้ได้หมดว่ากลัมคือการกระทําของเขากลัมคือการกระทําของเขานั้นเขาทําดีเขาจะต้องไปเกิดในที่ดีเอี คิดดีพูดดีทาดีเขาจะต้องไปเกิดในที่ดีแต่ว่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเขาจะต้องไปตกนรกไปใช้กรรมของเขาไม่เหมือนกันอันนี้พระพุทธองค์ก็รู้อีกว่าตุตัปะ ป, ะปะตาตยานการจุติของสัตว์ของวิญญาณนั้นไม่เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาที่ท่านบนรรลุสามอย่างที่โคนต้นโพในคืนวันเดือน6กเพลนนั้น จนสว่างพระพุทธองค์ได้ตัดสรุธธรรมเลยว่ยาอาสาวกยยานญานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะเพราะว่าพระพุทธองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาถึงตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจะยาสร้างข่าราสร้างข่าราปัจจะยาวิญญาณวิจญาณามารูปังจนถึงโสกปริเทวทุกขโทมณสุอุปายาตการที่มนุษย์ชาติของเราเกิดมา เกิดแก่เจ็บตายจนถึงร้องให้พิไรรำพันก็เพราะมาจากตัวไม่รู้คือตัววิชาตัวโง่ตัวหลงเป็นตัวพื้นฐานของกิเลสหรือบ่อเกิดของใจในเพราะรั้นพุทองค์รู้ได้ด้วยใจของพระ อ, องค์เพราะพระพุทธองค์ทำลายเชื้อที่อยู่ในใจของพระ อ, องค์คือกิเลสราคะโทสะโมหะให้หายให้เหือดให้แห้งไป ให้ใจของพระ อ, องค์บริสุทธิ์ด้วยตปธรรมคือสินสมาธิปัญญาในเมื่อบำเพ็ญด้วยสินสมาธิปัญญากระเทาะกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วจิตใจของพระ อ, องค์เข้าสู่ความบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งแล้วทีนี้พระพุทธองค์รู้ด้วยพระองค์เองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วเราตัดกำลังล้อกงเกวียนของตัววิชาจบลงไปแล้วจากนี้ไปเราจะไม่มี ชาติอีกแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วอันนี้พระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองเพราะฉนั้นธรรมะของพรนะพุทธเจ้ามีที่สิ้นสุดการกระเทาะนั่นคืออะไรการกระเทาะเปลือกถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมก็เหมือนกับเราเอาเข้าวเปลือกมาสีหรือมาตํามาโขให้เม็ดมันออกอย่างนี้พอกระเทาะเปลือกมันออกแล้วตามันก็ออกยางมันก็ออกมันมีแต่ข้าวสารในเมื่อมีแต่ข้าวสาร เอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะมันมีแต่ข้าวสารอันนี้ก็เหมือนกันใจของพระ อ, องค์นี่ใช้แต่ประธรรมคือศีลสรรมที่ปัญญาเข้าไปเผาเข้าไปถลุงเ อ, อปล่อยวางให้หมดไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงจนกิเลสหลุดลุอยออกจากจิตใจพระไทยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็หมดจดจัด ก, กิเลสเหมือนกับกระทาะเปลือกข้าเปลือกออกอย่างนั้นอ่ะยังเหลือแต่ข้าวสารเอาข้าวสารไปปลูกที่ไหนก็ไม่เกิดทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีเชือ้อ ไม่มีที่จะนำให้เกิดอีกหายนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่อว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนหลักพิสูจน์ก็คือการนั่งสมาธิไม่มีอย่างอื่นไม่ใช่ว่าเรียนรู้มากๆแล้วจะเดาเอาได้ว่าเจ้าหลักวิทยาศาสตร์มาคิดมาวิเคราะห์ไม่ได้ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอที่จะรู้ได้พระพุทธองค์ยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่าน เป็นอุบาสกอุบาสิกาก้ดีพิกษุสัมเนนกด้ดีให้ตั้งใจภาวนาปฏิบัติว่าเราเชื่อพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิดกรรมดีกรรมชั่วมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพระองค์จึงสอนหนทางให้ว่าอย่าทำชั่วนะถ้าทำชั่วจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนไม่มีศีลต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนไม่มีธรรมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธองค์บอกไว้หมดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน เมื่อได้ยินได้ฟังแนวทางปฏิบัติแล้วก็นี่แหละวิถีทางของชีวิตที่พวกเราจะต้องเดินสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่พ้นทุกข์ไปหมดกิเลสแต่พวกเราปฏิบัติไปให้ทานรักษาศีลภาวนาไปพวกเราก็จะถึงจุดใดจุดหนึ่งพวกเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขในขณะที่เดินทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง แต่พวกเราก็มีของอยู่มีร่มมีรองเท้ามีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ดีกว่าเหรือถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วบุญกุศลก็ไม่ได้ช่วยเราเราเดินทางไปกับเดินไปตีนเปล่าทั้งแดดทั้งฝนถูกกระทบกระแทกพวกเราก็จะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะนั้นบุญเท่านั้นเองที่จะให้พวกเรามีความร่มเย็นเป็นสุขท่านจึงว่าปุญญาณิประโลกัจฉมิง ปฏิฐาหนติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นบุญคํานี้เป็นของละเอียดอ่อนน ะ, ะไม่ใช่ของพูดเล่นนะเป็นของละเอียดอ่อนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอนรกสวรรค์มีจริงถ้าพวกเราอยากจะรู้ให้ภาวนาให้พิสูจน์ตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่บางคนก็พูดแบบง่ายๆว่าทําไมคนตายแล้วทําไมไม่มาบอกกัน เออมันตายและหายเงียบไปจะบอกได้อย่างไรพวกเรานั่งอยู่นี่เป็นร้อยกว่าชีวิตเนี่ยร้อยสองสามชีวิตเนี่ยพวกเรานึกคิดเรื่องอะไรบอกให้หลวงพ่อซิหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าหลวงพ่อไม่พูดไปพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันหลวงพ่อคิดเรื่องอะไรแต่หลวงพ่อพูดขึ้นมาเออหลวงพ่อคิดอย่างนี้พูดออกมาอย่างนี้พวกเราก็พอจะเดาได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยใครคิดเรื่องอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน เพนั้นตายแล้วต่างคนก็ต่างไป เ, เพราะไม่มีญารรณทัศนะถ้าหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกเนี่ยท่านมีญารรณทัศสนะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าท่านภาวนาจนในญานรรณทัศนะขึ้นมาเนี่ยท่านจะรู้ได้ด้วยพระองค์เองว่าพวกเราอยู่ในเนี่ยใครคิดเรื่องอะไรพระพุทธองค์จะรู้หมดว่าท่านองค์นี้คิดเรื่องอะไรคนนั้นคิดเรื่องอะไรแต่ตามไม่จริงท่านก็คงจะไม่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อว่านะ ท่านเป็นพระอาราหันต์หรือท่านเป็นพระพุทธเจ้าเถอะท่านไม่ใช่ครท่านจะเปิดฟังวิทยุทั้งวันทั้งคืนคงจะไม่เป็นอย่างนั้นพราะมองเข้าไปทีไรก็เห็นแต่กิเลสราคะโทสะโมหะเต็มยั่วเยี่ไปหมดมองเข้าไปที่ไ ห, ลลทห ไ, ห ไ, ไหนก็เห็นแต่กิเลสคนนั้นเห็นแต่กิเลสคนนี้อรหรรันต์ภาษาวกท่านก็คงจะอ้วกแตกทั้งวันเหมือนงั้นเถอะเบื่อกิเลสของพวกเราท่านทั้งหลายเพรอนั้นท่านคงจะไม่กลางเลดาของท่านดักอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุใด คนเบื่อกิเลสของมนุษย์ชาติเดี๋ยวก็โลภอย่างนั้นเดี๋ยวก็โกรธอย่างนี้เดี๋ยวก็ลงอย่างนี้เดี๋ยวก็รักอย่างนี้เดี๋ยวก็ช่างอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้จิตใจของมนุษยชาติเพราะนั้นท่านไม่อยากจะดูว่างั้นเถะถ้ามีความจําเป็นให้ก็ดูสักสักครั้งหนึ่งว่าเออเขาคิดเรื่องอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราพอที่เราจะไปช่วยเหลือเขาได้มีอะไรได้บ้างอันนี้ท่านก็คงจะดูเป็นบางครั้งบางคราวนะหลวงพ่อว่านะยาณทัศน์ของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นญาณทัศนะ คำนี้เนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะผลิญผพานวันเดือนหกเพนเหมือนกันที่เมืองกุชินารานะั่นพระพุทธเจ้าสั่งว่า เ, เป็นคําวาจากสุดท้ายเป็นปัจฉิมโอวาตรขยะวิยะธรรมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติขอท่านทางหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดิด อันนี้คือปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจา้าท่านว่ายังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็นอย่าให้บกพร่องและก็พร้อมกันก็ให้ช่วยประโยชน์คนอื่นด้วยแนะนําสั่งสอนคนอื่นด้วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนอื่นไปด้วยอย่าเอาแต่ตนคนเดียวอันนี้ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าปัจฉิมโอวาทจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์เงียบไม่พูดอีกทําการปรินิพานเข้าสู่ฌานปฐมฌานตุติยฌาน ตาติชาญจะตัวชา น, ชานคือเข้าฌานที่หนึ่งที่2ที่สมที่4ี่ที่5้าที่6ที่7นี่ขณะที่เข้าฌานอยู่นั้นนะ่ะพระอนุรุทะพระอนุรุท ธ, ธะเนะี่ยเป็นลูกของพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าที่ได้บวชเป็นพระอรหันต์ได้รับเอธัตกะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่วาเป็นผู้มีประตักวิชาคือรู้จิตใจของคนอื่นคิดเรื่องอะไรท่านอนุรุทธะนะี่ยรู้ได้หมดว่าใครคิดเรื่องอะไร เพราะได้ยาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าพระพุทธองค์ได้ยา น, านทัทส น, นะเนี่ยพระอนุรุทธะท่านก็ไดายาณทัศนะอันนี้เหมือนกันท่านก็นั่งอยู่ในบริเวณนั้นท่านก็นั่งเฝ้าพระพุทธองค์ท่าสาวกทั้งหลายก็ถามว่าท่านอนุรุทธะพระพุทธเจ้าปรินิพานหรือยังพระอนุรุทธะก็ตอบว่าอย่างขณะนี้พระจิตของพระพุทธเจ้ากําลังเข้าสู่ฌานปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานเจตุทฌาน และกับฌานที่ห้าฌานที่6กฌานที่7จนถึงสัญญายิ่สิบนิโรธสมาบัติจากนั้นก็ย้อนกลับลงมาอีกจนมาถึงฌานที่หนึ่งพอฌานที่หนึ่งจากนั้นย้อนคืนไปอีกไปถึงฌานรูปไปฌานกับอรูปไปฌานฌานที่สี่กับฌานที่ห้าระหว่างฌานทั้งสองพระพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างฌานที่4และที่ห้าพระอนุรุทธาท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วในระหว่างฌานที่4ี่กับฌานที่ห้า ท่านไม่ได้ปรินิพานในชานใดชาหนึ่งในทั้งเจ็ดชานนั้นอันนี้เมื่อปรินิพานแล้วหมดความหมายไม่รู้จะตั้งชื่อว่ายังไงเพียงแต่ว่าปรินิพานนิพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนอย่างนิพานศูนย์คือไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้อีกเพราะฉอนั้นพระนุตทะท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้อีกแล้วนี่แหละคำว่าศูนย์คืออะไรศูนย์เชือ้อศูนย์เชื้อคือศูนย์กิเลสเหมือนกับมเมล็ดข้าวเนะี่ยศูนย์ตาของมันศูนย์น้ํานี่เชื้อของมันที่จะปลูกให้เกิดอีกได้อันนี้หมดเชื้อแล้วนี่พานังปรามังศูนย์ยังศูนย์เชือ้อนิพพานังปรามังสุ ข, ขังนนกิเลสตัวอื่นไม่มีตัวไหนที่จะมารบกวนจิตใจของพระองค์ได้อีกแล้วจิตใจพระองค์บริสุทธิ์แล้วอันนี้แปลว่านิพพานังปรามังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ท่านสอนมีที่สิ้นสุดเมื่อปฏิบัติชำระจิตใจแล้วพ้นทุกในวัฏสงสารแล้วมีที่สิ้นสุดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกในวัฏสงสารนี้เพราะฉนั้นในหนังสือชีวประวัติของคุณแม่แมที่หลวงพ่อจะแจกไปเนี่ยท่านก็ถามโอ้คุณแ ม, ผม่ผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เอท่านบอกว่า ตัวหากเกิดคาเพียงคาเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าตัวหากเกิดมาถ้าตัวเกิดมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดซะมันจะได้จบอันนี้คือเป็นคำพูดที่ว่าตัวหากเกิดนะเราหากเกิดเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแก่เจ็บตายจะต้องตามหลังมาแน่แน่ความทุกข์ยากลำบากพัดผาาพิไร ล, ลาพันต้องตามมาอีกเออไม่ใช่ธรรมดา อย่างพวกเราท่านทัน้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่มาปีที่แล้วหลวงพ่ออินก็คงจะไม่แก่อย่างนี้นะแต่มาปีนี้หลวงพ่อนี่ยแก่ขึ้นเยอะปีหน้ามาเห็นอีกตรงแก่ไปกว่านี้อีกอพวกเราเขาว่าแกะนะ่ถือเป็นธรรมธรรมดาบางคนตัวเองอายุแก่ยังฉลองอีกนะฉลองวันเกิดอีกแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าการคิดให้ดีแล้วมันน่าจะสำเหนียกสำนึกเพราะเหตุไรเพราะว่าแก่คานี้นะ่ะ อ, อถึงจะนอนหลับนอนตื่นอยู่ก็ตามกินข้าวอร่ อ, อยอร่อยพูดจาอย่างเทศนาอยู่อย่างนี้ก็ตามหลวงพ่อนี่เกิเหมือนกันนั่งลอนั่งเกวียนนั่งรถลากรถไถของพญามัจจุราชดึงไปอยู่ตลอดอป่างนั้นเถอะลากไปอยู่ตลอดแก่ไปอยู่ตลอดแก่ลากไปอยู่อย่างงั้นนะ อ, อแต่พวกเราก็ยังพูดสนุกสนานอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็พูดอยู่นี่แต่ตามมจริงพญามัจจุราชแก่อยู่นะเดี๋ยวนี้แก่ไม่มีจังหวะไม่มีระหว่างเลยแก่ไปหาอะไร แกไปหาผมหงอกผมขาวแก่ไปหาตาฝ้าฟางแกไปหาหูหนวกหูตึงแก่ไปหาฟันหลุดแก่ไปหาหนังเหี่ยวเฮ้ยมันแก่ไปอย่างนั้นนะแก่ไปแก่ไปผลที่สู่เห็นไหมคนแก่พวกเราทั้งหลายคงจะเห็นพอแก่ไปแล้วไม่รู้จะแก่ไปที่ไหนตนเองเก่งลงหน้าผาเก่งลงเหียวเออพอกิ่งลงเหี่ยก็ได้พบหนึ่งชาติหนึ่งตายไปพอตายไปแล้วกับวิญญาณนั้น วิญญาณที่วันนามมะธรรมที่หลวงพ่อได้พูดว่าร่างกายเนะี่ยมีอยู่2 อ, อย่างคือรูปประทามกับ น, นามมะธรรมแต่รูปประทามนั้นตายแน่เพราะงั้นเอาไปเผ า, าใส่เมนใส่เมนเผาแล้วก็ไปลอยอังคารแม่น้ําโขงไม่รู้กี่ศพตะกี่ศพมาแล้วแต่นี่ใจระบัดใจนั้นตะเกียกตะกายขึ้นมาเกิดอีกอามาเกิดอีกแต่ว่าเกิดขึ้นมานั้นจะเกิดที่เก่าหรือว่าจะเกิดที่ดีไหมอันนั้นรับรองไม่ได้เลยทีนี้ ถ้าว่าใครทากรรมสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้กรรมดีนะ่นจะต้องตามสนองคนนั้นเหมือนกับคนมีเงินนะเมื่อเราอยู่เดียวเนีเราสั่งสมบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบิดามารดาเคารพครูบาอาจารย์ช่วยสาธารณประโยชน์สร้างสั่งสมบุญกุศลจิตใจเป็นกุศล เ, เมื่อตายไปแล้วเหมือนกับเรามีเงินมีทุนอยู่ในตัวของเรามีเงินอยู่ในตัวของเรามีบุญแั้นะวิญญาณที่มีบุญ เมื่อร่างกายตายไปแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนเรามองดูได้ว่าเออข่าวนี้เราจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีตระกูลไหนเราจะไปเกิดเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ระดับไหน เ, ออเราจะไปเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาแล้เราจะไปเกิดที่ไหนเราเลือกเกิดเอาได้ถ้าเรามีบุญแต่ถ้าเราไม่มีบุญแล้วอ อ, ออกจากชาตินี้ไปกับหมดบุญบางงันกรรมกรรมคือการกระทําไว้ในอดีตพาไปแล้วะนี่ เดินไปเดินไปไปเห็นท้องควายก็อู้นี่ถ้าใหญ่เหลือเกินว่ะเข้ามาอยู่ที่นี่สบายดีว่ะที่ไหนออกมาเป็นควายอ่ออกมาเป็นวัวออกมาเป็นช้างออกมาเป็นหมูเป็นหมากาไกา่ไปได้ทั้งนั้นคนไม่มีบุญแต่คนมีบุญนะเลือกเกิดได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้เพราะว่าได้สั่งสมบุญเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นบุญจึงว่าเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ที่หลวงพ่อพูดมาให้ฟังทั้งหมดหรือว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนันคือย้าว่าตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงบาปุญขุนโทษมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านพิสูจน์อยู่ในป่าโรงพงไัยท่านยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติโยมก็าตาม เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วไปพิสูจน์ตามที่หลวงพ่อได้กล่าวคือนั่งสมาธิทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มั่นใจว่าตายแล้วไม่รู้จะเกิดอีกหรือไม่อันนั้นความล้วนเล่เรืองความสงสัยความตั้งใจของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีก็ไม่หนักแน่นเพราะเหตุใดเพราะวาพวกเราไม่มั่นใจว่าตายแล้วจะได้รับผลบุญกุศลหรือไม่เพราะนั้น เราก็เลยแบบเก้เก๊กลางกงเงื้อเงักเักเชื่อบังไม่เชื่อบังถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันจะไหลไปทางชั่วจะมากกว่ามันจะไม่ไหลไปสู่ทางดีพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายทุกๆท่านนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาการสั่งสมบุญอย่างที่ว่านั่งสมาธิเนี่ยทำจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้สงบเนี่ยมันจะมีผลสืบเนื่องไปนานเท่านาน เมื่อใจของเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาขณะใดใจของเราจะวิ่งเข้ามาหาสมาธิทันทีจิตใจของเราจะตัดอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นทุกข์ออกไปจากใจของเราใจของเราก็จะได้รับความสงบเ อ, อเมื่อแก่เท่าชรามาพวกเราก็อยู่คนเดียวก็ได้ไม่วิตกไม่กังวลไม่ว้าเว่ไม่อ้างว้างไม่เงียบเหง๋ไม่ซึมเศร้าเพราะเหตุใดเพราะเรามีธรรมอยู่ในใจ แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฝึกเรื่องจิตตะภาวนาเอาไว้นะพอเท่าแก่ชรามาจติกระปั้มๆเปอร์ๆงงๆงนังนเงันลูกหลานหนีจากข้างเขาไม่ได้กลัวผีกลัวคนกลัวอะไรก็ไม่รู้เพราะจิตใจไม่มีหลักสรุปแล้วก็คือไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทควรจะฝึกหัดจิตตะภาวนาเอาไว้นะก่อนหลับก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างน้อย5นาที10นาที กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกหัดเอาไว้อย่างนั้นเถอะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธต่อไปถ้าว่ามีปัญหาอะไรก็มาถามครูบาอาจารย์เพราะท่านอยู่ในวัดในวาครูบาอาจารย์ที่มาเนี่ยท่านฝึกหัดจิตภาวนาไว้ทั้งนั้นให้มาถามกราบเรียนถามท่านได้ว่าเออครูบาอาจารย์ผมภาวนาเป็นอย่างนี้อย่างนีเ้เป็นยังไงหรือว่าเอาหนังสือให้ไปเนี่ยเราก็ไปศึกษา ไปอ่านดูจากนั้นกับปฏิบัติเห็นอย่างไรมีความรู้อย่างไรจากนั้นก็มาถามครูบาอาจารย์วิธีการปฏิบัติถ้าพวกเราฝึกหัดได้อย่างนี้นะหลวงพ่อว่าความสงบความร่มเย็นเป็นสุขก็จะสู่จิตใจของพวกเราพวกเราไม่มีใครที่จะแบ่งเอาจากพวกเรานะสอนทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนท่าไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากพวกเราพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วมิตรวาง ทำคำสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นอ่ะจากนั้นพวกเราปร ะ, ประพฤติปฏิบัติก็เป็นสมบัติของตนเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งปันจากพวกเราไปเพราะนั้นสมบัติที่พวกเราได้นั่นก็คือความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวนะการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปราถนาทุกประการเทิน